โมนอน้อมพระาโมตัสสะพุทวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะพุทธวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะพุทธวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธส พอนอบนอบ้อมดนองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตะสมมาสมพุทธเจ้าพระองค์ น, นั้นเข้าทีา่เอาที่นั่งเขาที่นั่งภาวนาปฏิบัติธรรม แตงไกลเ <c oughs> สียงมันอยูย่ไก่เสียยมเขาเนี่ยมันเนี่ยมันอ ย, ย, ยู่ไก่เนี่ ย, ยมันอยู่ไก่ปากเลี่ยนมาเลี่นมาถอดมาเ เออเออ สติสติกำหนดใจสติระลึกรู้อธิฐานตั้งความระลึกรู้ไว้เฉพาะหน้าในปัจจุบันเีนว่าใจนั่นแหละเป็นเครื่อง เป็นเครื่องสัมผัสเครื่องรับรู้ถ้าไม่มีใจล่ะไม่มีอะไรรู้ในวันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมตามการเวลาที่นัดหมายกำหนด ในเดือนกันยายนพุทธศักราช2562คือวันที่20อันนี้เป็นวันศุกร์ที่20กำหนดนัดหมาย่ อ, อมาฟังธรรมพิ เ, พเศษปฏิบัติเป็นพิเศษ ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าศาสนาคือศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเอาอาหารฤทไทย วงใจของพระ อ, องค์เอากายของพระ อ, องค์เอาวาจาของพระ อ, องค์ออกค้นคว้าพระพติธ ร, รมปฏิบัติธรรมเรียกว่าสแสวงหาโมฆะธรรมคือค้นคว้าหาความเป็นจริงเพื่อรู้ความเป็นจริง มันเหมือน ก, นกันกับพวกเราพวกเราก็มีกายมีใจที่เมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์นำกายนำพระหริยไทยของพระองค์ออกฝึกหัดปฏิบัติฝึกฝนอบรมจนได้สำเร็จผล ดีเจริญมกักฝึกฝนอบรมสติมีความเพียรเพ่งมีความเพียรเพ่งดูกายดูจิตจิตตังความนึกคิดให้นึกลู่ให้นึกลู่อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออก นี่ยลมก็เป็นกายนับว่าเป็นกายเป็นกายละเอียดเพราะกายนี่ประกอบด้วยธาตุลมดินน้ําไฟลมนี่ใช้ธาตุลมเพราะฉะนั้นลมก็เป็นกายเป็นกายละเอียดไฟก็เป็นกายเป็นกายละเอียดนี่ก็เป็นธาตุ น้ำก็เป็นกายดินก็เป็นกายดินเป็นกายคืออะไรพวกเมื่อนังเราเ น, นี่ก็เป็นดินน้ำเงือ่อน้ำหมกน้ำสเลดก็เป็นน้ำเนี่ยคำนวณลูกกาย เอากายเป็นฐานที่ตั้งของความระลึกรูก้คือสติเอากายเป็นที่ตั้งของใจคือธรรมชาติรู้นี่จึงว่าสติใจกาย ิความนึกคิดผู้นึกคิดก็ให้นึกคิดอยู่ในกายนี่แหละนึกคิดรูกในกายในลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เพื่อเป็นการสร้างพลังความระลึก ให้เป็นความระลึกชอบนี่ว่าสติเป็นพลังสติเป็นพลังสมาธิใจที่มันไม่กระสับกระสายไม่กระสับกระสายไม่คิดฟุ้งฟุ่งไปตามสัญญารมณันนั้นนนี้นี่เรียกว่า ความรู้เนี่ยรู้แน่วอยู่ปัจจุบันเป็นพรังเป็นพรังสมาธิพรังสมาธิเกิดมีกำลังได้เพราะพรังแห่งสติการกำหนดรูในอารมณ์มันเดียวนี่พ่ อ, องค์ปฏิบัติมาอย่างนี้ พระพุทธเจ้าพองปฏิบัติอย่างนี้กินได้มาสอนสอนพวกเราได้ปฏิบัติเรียกว่าสอนสติสมาธิสอนปัญญาสติกดเส้นั่นแหละสติสมบูรณ์เป็นความสังวรความสังวร ความสังวรให้ตั้งมั่นในอารมณ์เดียวนี่ยิงว่าเป็นสติต่อเนื่องแล้วก็เป็นศีระสังวรในการสังวรกายนี่ในขณะที่เรานั่งฟังธรรมะ ทำสมาธิคือทำสติให้อยู่ปัจจุบันเพื่อสัมผัสกับกระแสธรรมะทำไมพระองค์จึงต้องมาฝึกฝนอบรมกายว่าจาใจ เพราะมันเป็นมหาเหตุคือมีรูปร่างกายเป็นเหตุเรียกว่ารูปกระรรมเรียกว่ารูปประคันมีนามธรรมมีความสุขความทุกข์เสวยสัมผัสกันสัญญาสังขารอิญญาณแล้วก็มีใจที่เป็นธาตุรู้ เป็นธรรมชาติลูกนี่มันรวมอยู่ตรงนี้จึงต้องมาฝึกฝนอบรมกายวาาย่าใจใจจึงต้องมาฝึกเพียนแ่งกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออก นี่เรียกว่าสอนวิธีแล้วก็ให้ปฏิบัติการที่ลงมือปฏิบัติเป็นการกระทำเป็นการกระทำกรรมมันชอบเป็นการทำงานชอบในการปฏิบัติธรรมะชอบด้วยการ เอากายเป็นที่ตั้งของความรู้คือใจกายเป็นที่ะระลึกของสติกลมกืนกันกายใจจิตแล้วก็อาศัย ธรรมะคือความเพียรความเพียรคือความพยายามดิยเยทุกคมาเจติผู้จะร่วงทุกข์ตนทุกข์ไปได้เพราะมีความเพียรพยายามทํากิจการงานอะไรก็ตามจะสําเร็จรุ่่วงไปด้วยดีก็มีความเพียร เนี่ย่ไหเพียนเพียนพยายามควบคุมใจคือความรู้สร้างสติความระลึกรูก้ให้คมเกืนกันให้คมเกืนกันรู้อยู่รอบอยู่รอบในกาย นี่เรียกว่าปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารกองสังขารก็คือกองกายกองเวทนากองสัญญากองความนึกคิดปรุงแต่งกองความรับรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจ นี่เรียกว่ากองกองแห่งขันห้าหรือว่ากองสังขารห้าอย่างรวมอยู่ตรงนี้รูปกายกร็รู้อยู่นี่พระมีใจเป็นผู้รู้ใจก็รู้อยู่ในกายนี้ก็่ทนจริง ตั้งการงานคือการกระทาตั้งความเพียรคือความพยายามกระทาลงมาในกายในจิตของเราถ้าส่งออกไปข้างนอกอันนั้นเรียกว่าส่งออกส่งออกไปตามอาการถ้ากำหนดรู อยู่กับกายกับจิตของเราสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาที่สัมผัสกลมกืนกันอยู่นี่นี่เรียกว่าโอปะนายกโกน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาดูทำน้อมเข้ามาดูากําหนดรูปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ กำหนดรู้สุขรู้ทุกข์ที่เกิดอยู่กับสังขารร่างกายของเราแล้วมีใจเป็นผู้รู้อยู่นี่มีอโอปนจัจโกน้อมเข้ามามาให้ออกไปรู้ข้างนอกรู้ดินฟ้าอากาศอะไรข้างนอก น, นั่นเดียวว่าส่งออกส่งออกนอกธรรม ไม่น้อมเข้ามาในธรรมธรรมในอยู่ตรงนี้ถ้าออกไปข้างนอกเป็นธรรมนอกธรรมนอกธรรมนอกนี่เป็นธรรมหลงธรรมเมาถ้ามารู้ภายในเข้ามานี่เป็นธรรมรู้เป็นธรรมรู้ธรรมเห็นปจุปนโนอ่าปจุปนันเจโยธรรมมัง รู้ทมปัจจุบันขณะนี้เดียวนี้รู้อยู่ตรงนี้เห็นอยู่ตรงนี้ <c oughs> นี่เรียกว่าโอปะเนยโกน้อมเข้ามาเอฮิปสิโกเรียกเรียกมาดู เรียกอะไรมาดูเรียกใจเรียกผู้รู้รู้เรียกใจมามาลู้เรียกสติมารอบรู้เนี่ยมารอบรู้ดูธรรมนี่ในในคุณของพระธรรมคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็น ผู้สอนธรรมะสอนศาสนาศาสนาคือศาสนาธรรมสอนด้วยพระสติพระปัญญาอันชอบพระปัญญาบริสุทธิ์เดียกว่าโพธิธรรมโพธิปัญญาปัญญาบริสุทธิ์หมดจดนั่นแหละปัญญาลูรอบ ปัญญาไม่ประกอบด้วยความหลงนิดนิดนดนอยแมนิดเดียวก็ไม่มีปัญญารู้ความจริงของสภาวะธรรมรู้ความจริงของสมมุติว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน <c oughs> เมื่อไม่มีตัวตนจึงไม่มี ไม่มีมนทินไม่มีคำว่าตัวตนอยู่ในธรรมชาติรู้ในในในปัญญาที่สอดส่องรู้เห็นไม่มีความเป็นตัวเป็นตนเห็นเพียงในคันห้านี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็แปลปวนแล้วก็ไม่มีตัวตน จะว่าแตกดับสลายหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันคำว่าขันห้านมันก็ไม่เป็นตัวตนรูปเวทนาสัญญาสังขารอิญญาเนี่ยนี่จึงว่าเป็นปัญญาเป็นปัญญาที่ทำลายความมืด ทำลายความหลงอย่างแท้จริงไม่มีเศษแห่งความหลงความมืดคืออาสวะแฝงอยู่เลยจึงว่าปัญญาณบริสุดไม่ประกอบด้วยเหตุที่จะให้เกิดความทุกข์อีกต่อไปมีแต่ชำระ มีแต่สําระมีแต่ขจัดมนทินความหลงผิดความเข้าใจผิดความเห็นผิดนี่จึงว่าเป็นพระปัญญาณบริสุทธิ์ของพระพุทธเจา้าเมื่อพระองค์เข้าถึงพระปัญญาบริสุทธิ์แล้วยิงได้รู้เหตุรู้ผลรู้ การที่จะเดินเข้าไปสู่ความบริสุทธิ์อันหมดจดเหมือนอย่างพ่อองค์ได้รู้ได้เข้าถึงก็มีแต่การเจริญสติสมาธิปัญญาหรือการรักษาศีลนี่ยจึงว่า ศึกษาในเรื่องศีลจึงว่าศีระสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขามาศึกษามาใช้สติปัญญาใช้การกำหนดรูการค่อยควรรูใน ฐานของศีลฐานของความเป็นศีลก็เรียกว่ากายวาจัยใจท่านจึงว่าศีลคือความสำรวมกายวาจายใจให้เรียบร้อยําว่าเรียบร้อยเพราะมันไม่มีมณฑินมันไม่มีความเข้าไปหลงผิดเห็นผิดในกายในวาจา ในความนึกคิดทางจิตใจในความรู้ในว่ารู้ผิดฝึกให้รู้ถูกเพราะจึงว่าเจริญปัญญาเพื่อให้รู้ความจริงรู้ความแปรปวนรู้ความ เปลี่ยนแปลงลูกความทุกข์ลูกความไม่มีตัวตนที่นี่วิธีปฏิบัติไม่ต้องไป ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสงสยัยไม่ต้องไปมีความอยากว่าจะให้ลูกความไม่มีตัวไม่มีตนเป็นอย่างไรความทุกข์ความแปลปวนเป็นอย่างไรไม่ต้องไปสง่งไม่ต้องไปทาความอยากเหล่านั้นให้เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าจเจริญเหตุทำเหตุ ตั้งสติตั้งใจขึ้นมาให้เป็นผู้อยู่ด้วยความตั้งใจเรีย ว, ว่าความรู้ตัวอย่างในขณะนี่เดียวเนี่ยตั้งใจตั้งใจรู้อยู่เฉพาะใจรู้อยู่กับผู้รู้ ลูกอยู่กับผู้ลูกลูกอยู่กับผู้นึกผู้นึกคิดแปลว่าให้นึกคิดว่าลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใ จ, าายใจออก<_><_>เกิดดับเปิดดับนี่เป็นการฝึกทำจิตให้ตั้งมั่น ให้เกิดพลังสมาธิในเบื้องต้นเรียกว่าเพ่งใจไว้ในอารมณ์มันเดียวอุบายที่เพ่งที่กำหนดท่านบอกท่านสอนไว้มีถึงสี่สิบอาการแต่นอกจาก สี่สิบอาการนี่ก็กำหนดได้ขอให้เป็นเป้าหมายแห่งความรละลึกรู้คือสติเป็นเป้าหมายแห่งความรู้คือใจรู้อยู่ในอยู่ในสิ่งนั้นอันเดียวที่ท่านสอนไว้ท่านบอกไว้ เรียกว่าอนุสติสิบคือตั้งสติเระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป่นอย่างนึกพุทธโธพุทธโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธพุทธโธพุทธโธเนี่ยเป็นอุบายอันหนึ่งตั้งสติกำนดให้ดี ด้วยความจดจอ่อด้วยความเอาใจใส่ไม่ทอดทุระอันเรียกว่าทมสติต่อเนื่องเมื่อมันมีกำลังเมื่อมันมันมีกำลังแล้วมันจะไปเห็นสิ่งอื่นเพราะมันจะเข้าถึงธรรมชาติรูปคือใจซึ่งเป็นนักรูปเป็น ถารู้อยู่แล้วจะไป็รู้ความจริงอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาจะไป็รู้ว่าร่างกายของเรานี่ยมันเป็นสิ่งที่แปรปวนมันประกอบอยู่ด้วยธาตุาดิน ธา ด, ดินกัมนี่ผมขนเล็บฟันนังเพราะฉะนั้นว่าเอากายจุดใดจุดหนึ่งเป็นเป้าหมายเป็นผมข น, นเล็บฟันห้าอย่างที่เรามองเห็นด้วยตาเห็นด้วยตาจนชินตา จะเป็นปนิมิตติตาเราก็กำนดลรู้ด้วยใจคือให้เห็นด้วยใจเราดูภายนอกเราเห็นผมอยู่บนศีรษะขนอยู่ทั่วตัวเล็บอยู่ปลายมือปลายเท้าฟันอยู่ในปากคางข้า ง, งล่างข้างบนหนังห้มอยู่ทั่วตัวอันนี้สัญญา ให้หมายมั่นที่ในกำนนอเข้ามาให้ลูกให้มันอยู่ในความรู้ให้ลูกผมอยู่ในความรู้อยู่ในใจผลเป็นลักษณะเส้นอะไรก็รู้อยู่ในใจเล็บฟันนังนี่จะว่ากายคตาสติ นาภาณสติรู้ ล, ลมเข้าลมออกพุทธานุสตินึกพุทโธพุทโธนี่คำว่าอนุสติสิบมีสติรู้พระพุทธเจ้าพระองค์ทาก่อนท่านกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออก ถึงว่ากำหนดดูลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นเครื่องลูกของใจเครื่องระลึกของสติเป็นเครื่องนึกของจิตจิตตังหุนึกคิดทำให้มันแน่วแน่ทำให้จริงให้จังนี่กำหนดดูจุดไหนที่จะจับเป็นหลัก เป็นหลักเป็นเป้าหมายหรือว่าเป็นที่อยู่ของใจเป็นที่อยู่ของสติถึงแม้มันจะนึกคิดไปอย่างอื่นก็ให้กลับมาตรงนั้นเหมือน ก, นกันกับเรามีบ้านมีเรียนถึงแม้จะไปทำธุระกิจการงานอย่างอื่นนอกถึงแล้จะก็กลับเข้ามาที่บ้าน นี่ก็เหมือนกันเอาฐานใดฐานหนึ่งเป็นที่ตั้งแน่วแนว่อันนี้เป็นหลักเป็นหลักอุเป็นอุบายที่จะทำให้จิตมีสมาธิในเบื้องต้นมันก็จะมี มันก็จะมีแต่มันจะไม่ยาวไม่มากที่ตั้งมั่นกำหนดรูที่นี่เพื่อให้มันยาวให้มันมีพลังจึงกำหนดให้มันต่อเนื่องกันยาวๆนั่นกำหนดต่อเนื่องอยู่บ่อยๆเอาจุดไหนเอาอาการอะไรเป็นเป้าหมายก็ให้ มันแท่งเรงอยู่ตรงนั้นสมาธิแท่งใจไว้ในอารมณ์มันเดียวไม่มีความเพียนไม่ท่อถอยก็จะปรากฏผลที่เรียกว่าผลของสมาธิจะเห็นความสงบของใจสัมผัสความเบากายเบาใจความปลอดโปร่งโลง่ง ใหญ่เป็นอิสระไม่ถูกกดขี่บังคับอยู่ด้วยอารมณ์ให้รวงฟุ้งไปไม่มีคอมีเขตจะรู้ได้ด้วยตนเองแล้วก็ฝึกกลมกลืนกันไปสมาธิหรือว่าศีล สติสมาธิปัญญาปัญญาสุตมยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาปัญญานี่เป็นเป็นกำลัง เป็นกําลังเลือวเป็นแสงสว่างทำลายความมืดความหลงจิตใจของเราที่มันหลงยึดติดอยู่กับทัญญารมอันใดมันสำคัญมั่นหมายด้วยกับผัสะคือความอยากอยากให้มีอยากให้เป็นที่ท่านบอกไว้ใน อริยสัตว์สี่นว่ตัณหาตัณหาตัณ ห, หาคือความอยากความอยากสามประเภทสามอาการในอริยสัตวจะทําทั้งสี่นั่นตามมะตัณหาภาวะตัณหายิภาวะตัณหาอารมะตัณหาความอยาก เห็นรูปว่ารูปสวยๆงามๆก็อยากดูอยากทัศนะอยากเห็นอยากสัมผัสอยู่ไม่อิ่มไม่พอมันอิ่มไม่เป็นความอยากถ้ามันไปยึดไปติดอยากเพราะฉะนั้นมันมันจึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ เหมือนอย่างภาะวักกิพระวักกลิท่านมองรูปโฉมของพระพุทธเจ้าสวยงามมองอย่างไรอย่างไรก็ไม่อิ่มไม่พอนั่นเรียกว่าติดหลงหลงในภะัะสะในรูปเรียกว่ารูปประมาณิกาพรวักกะิ โดยมีการล้ำลึกการตึกการตองอยู่ในรูปของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นี่เป็นความหลงยึดหลงติดนี่เรียกว่ากามตัญหาความยึดติดหลงอยู่ในรูป ในเสียงก็เหมือนกันเสียงกลงวานเสียงไพเราะจับใจเสียงร้องลำทำเพลงอะไรเนี่ยที่ที่มันติดทำให้ติดให้ยินดีพอใจอยู่ฟังอยู่ยังไงยังไงมันก็ไม่เบื่อไม่เห็นโทษเพราะถ้ามันก็จึงต้อง หาวิธีที่จะให้ได้ยินได้ฟังติดในเสียงติดในรูปติดในเสียงติดในกลิน่นกลิ่นของอาหารติดในกลิ่นที่หอมหวนส่วนชื่นเกลียดในกลิน่นที่เหม็นที่คิว้ว กินเหม็นคิวเม็นกุยเม็นข้าวไม่พอใจไม่อยากไม่ถูกกินถ้าถูกแล้วก็เป็นทุกข์ใด้กินที่ไม่ชอบถ้ากินในที่ชอบชื่นอกชื่นใจอยู่นั่นแหละไม่อิ่มไม่พอนี่เรียกว่า หลงในกรรมตัญหานในรูปเสียงกลิ่นรสความถูกต้องผัสสะแล้วมันก็เป็นเหตุให้เกิดบาปเกิดกรรมให้กระรรทาทํากรรมที่ไม่ชอบทํากรรมที่ให้เกิด โทษเกิดทุกข์นี่เพราะความหลงเห็นว่ามันเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะตามมติหาเป็นทุกข์เพราะภาวะตันหาอยากมีอยากเป็นอยากมียศมีศักมีชื่อมีเสียงมีอำนาจอันนี้เรียกว่า ภาวตันหตัหาอยากมีอยากเป็นมันเป็นทุกข์ดิ้นรนมีภาวะตันหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากแกอย่างนี้เกิดมาแล้วไม่อยากแกไม่อยากเจ็บอยากไม่อยากป่วยมีร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์ไม่อยากผอม อย่างเนี้สุดท้ายก็ไม่อยากพัดผ้าจากสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งหลายทั้งปวงนั่นก็เป็นทุกข์นี่เหตุให้เกิดทุกข์เพราะความอยากแต่ที่นี่ จะให้รู้เท่ารู้ทันก็ต้องอาศัยความอยากอีกแหละทีนีความอยากให้มีให้เกิดขึ้นอยากมีสติอยากให้สติต่อเนื่องและลึกรู้อยากให้สมาธิกิจนี่มีสมาธิแน่นหนามั่นคง อ, อยากมีปัญญารู้แจ่ม แจ้งในอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาในธรรมทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็ต้องอาศัยความอยากแต่ถ้าอยากอย่างนี้อยากแล้วก็ปฏิบัติไม่เป็นนี่แต่ความอยากอยู่เฉยๆก็เป็นทุกข์อีกแหละแต่อยากปฏิบัติอยากภาวนาเนี่ย มันก็เป็นทุกข์แต่เป็นทุกข์ก็<ม>ก็ต้องลงมือปฏิบัติมเมื่อเวลาลงมือปฏิบัติก็ละความอยากนั่นเสีย<ม>นี่ท่านจึงว่าอาศัยความอยากให้รูล้ละความอยากถ้าไม่รู้ละความอยากความอยากนั่นมันจะเป็นอุปสรรคเข้ามาเป็นอารมณ์กั้น เป็นอารมณ์กั้นธรรมะมคือสติจะไม่สมบูรณ์สมาธิจะไม่มั่นคงเพราะท่านอยากมีสติสมบูรณ์ก็กำหนดตั้งสติกำนดวลิกรรมดูหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกมันต่อเนื่องกัน สังเกตดูจิตอย่าให้มันไปปรุงไปแต่งอย่างอื่นอย่าให้มันไปปรุงไปแต่งตามความอยากว่าเมื่อไรมันจะเป็นเมื่อไรมันจะสงบเมืม่อไรมันจ ะ, จะลึกรู้ต่อเนื่องมันไม่ต้องไปกังวลคืออาศัยในเบื้องต้นแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาเจริญสติบริกรรมภาวนาเท่านั้นแหละเมื่อมันต่อเนื่องกันกำลังมันพอ มันก็จะเป็นผลให้ปลาปฏดขึ้นมีความเบากายเบาจิตมีความลู้ปอดโปง่งก้วงขวางไม่คับแคบตีบตันเรียกว่าลู่ก่วงขวางลู้ปลอดโปง่งนั่นแหละลู้แล้วไม่หนักเพราะไม่มีอุปทานเขาไปยึดไปถือนี่ให้ปฏิบัติอย่างนี้ ตั้งความเพียรลงไปแน่ แ, นแลลวความแน่นหนามั่นคงความเบากายเบาใจจะเกิดขึ้นที่นี่ให้น้อมไปในการเจริญปัญญาเยาววิปัสนาวิปัสน า, าคือวิจัยวิจารณโยนิโสมนาสิการ อารมณ์อะไรที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยมาค้างอยู่ภายในใจเนี่ย <c oughs> เป็นอารมณ์ให้เกิดความขุนเคืองเศร้าหมองของใจอารมณ์ที่มาติดให้เป็นเหตุแห่งความสงสัยวิกิกิดชาลังเลสงสัยไม่ตกลงใจได้ ก็ต้องวิจัยวิจารณ์ที่นี้พิจารณาเพ่งไข่ควรเหตุผลจนกว่าจะเข้าใจว่าอารมณ์ทั้งหลายนั้นมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นเพียงอติตารมอนาคตารม์อารมณ์เรื่องอดีตเกิดขึ้นอารมณ์ ความไปคาดหมายข้างหน้า<ม>ก็ทวนเข้ามาให้อยู่ในปัจจุบันอารมณ์ที่<ม>รู้อยู่ในกายในลมหายใจนั่นแหละ<ม>ให้รู้อยู่ในอาการแลปวนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน<ม>นี่ถ้าหาว่า มันไปยึดประจิตอยู่ในอารมณ์ที่ผ่านมาแล้วนี่วิธีปฏิบัติต่อหรืออารมณ์ที่มันไปยึดประจิบอยู่กับอารมณ์แหง่งกิเลสกามอารมณ์แหง่งรูปเสียงกลิ่นรสโภพธะ ธรรมอารมก็ให้ทวนเข้ามาสู่อารมณ์แห่งธรรมะหรือไม่มันไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามันไม่มีอะไรจะเป็นไปตามความอยากให้เป็นให้มีให้เกิดขึ้นจน เข้าไปถึงว่าพิจารณามันจะติดในรูปในเสียงติดในเสียงอันใดเอาเสียงอันนั้นมามาเป็นมาเป็นเป้าหมายมาเป็นสนามฝึกปัญญาเหียนาเสียงให้เป็นธาตุเสียงนี่ก็เป็นธาตุ เรียกว่ายกขึ้นสู่อารมณ์แห่งวิปัสนาเสียงเป็นธาตุเสียงไม่ใช่ตัวตนเสียงเป็นเพียงสมมุตินี่ซึ่งเสียงนั้นก็ไม่ใช่ใจไม่ใช่ผู้รู้ไม่ใช่สติปัญญา เป็นเพียงสิ่งที่ไปจดไปจำของสัญญาไปสำคัญมั่นหมายของสัญญาสังขารแล้วก็เกิดเป็นความอยากไปสัมประยุทธ์เนี่ยพิจารณายกขึ้นสู่ความเป็นธาตุ ความเป็นอนิจจังทุกขั้งอนัตตาของเสียงของรูของกลิ่นของรสของผัสสะที่ว่ายินดีไม่ยินดีพอใจไม่พอใจนี่ต้องมาจัดการ อารมณ์แหมเหตุแหงความอยากที่มันเกิดขึ้นที่เรียกว่ากิเลสกามหรือวัตถุกามความตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความอยากในกามก็อยากในกิเลสกามคือสิ่งที่เป็นอารมณ์ วัตถุกรรมสิ่งที่เป็นรูปสิ่งที่เป็นรูปปรากฏสัมผัสเป็นของใช้ของสายเรียนชาบ้านช่องหรือรูปที่เราต้องการถูกต้องสัมผัสมัน เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ให้เกิดความอยากเพราะความไม่รู้เท่าทันไม่รู้ตามเป็นจริงเพราะท่านจึงต้องเจริญวิปัสนาเป็นเครื่องแก้จริงว่าแยกแยกแยกกายมันติดในกายมั่งกายลื้อกายแยกกายออกไปมันติดใน เนื้อในหนังเห็นว่าเนื้องามหนังงามเล็บงามขนงามผมงามเหล่านี้แหละจึงให้ใช้ปัญญาวิจัยวิจารณ์ทำลายเปลี่ยนแปลงทำว่ามันงามเอาไฟเผาเข้าไปกาหนดเอาไฟเผา มันจะเปลี่ยนสภาพไปยังไงถ้ามันเห็นยังเป็นรูปอยู่นี่เป็นความหนุ่มความสาวเป็นความสวยสวยงดงามกับใช้ปัญญากำหนดตายสิ้นลมหายใจแล้วมันเป็นยังไงนี่เรียกว่าเอาอสุภธรรมเข้ามาสอนใจให้รู้ด้วยปัญญา ตายวันหนึ่งสองวันขึ้นอืดขึ้นอืดผู้พองน้ำน้องน้ำเหลืองไหลเยิม้มธาตุลมดันขึ้นเต็มที่ธาตุน้ำธาตุดินไหลเยิม้มซึมซาบไหลออกจากกันแตกรลเบิดยุบลงไป ความล่อนแผดเผาแสงแดดความล่อนจากแสงแสงแดดแผดเผาแห้งเข้าไปน้ำก่ไอแล้เหยออกไปแห้งเข้าไปแห้งกรอบเข้าไปถ้าเอาไฟเผาเข้าไปอีกก็เหลือเป็นจุนวิจุนมีแต่ผงมีแต่เท่าฐานลงสู่ความเป็นดินเป็นธาตุนี่เรียก ว, ว่า ที่จรณารูปให้เป็นธาตุเสียงก็เหมือนกันที่นาเสียงให้เป็นธาตุมันเป็นเพียงสิ่งที่เกิดจากการกระทบกันของธาตุแล้วก็ออกมาเป็นเสียงเป็นธาตุละเอียดแล้วก็ความหลงต่างหากสัญญาสังขาร เขาไปสําคัญมั่นหมายว่าเสียงดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ธรรมชาติของเขาเขาก็ไม่ได้ว่าเขาดีเขาไม่ดีอะไรนี่เลยว่ารวมสติรวมสมาธิรวมปัญญาเข้าไปจุดไหนมันเป็นจุดเป็นตอมให้ หลงให้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายปรุงแต่งให้เกิดความอยากความติดแห่งดูเข้าไปนี่อุบายของปัญญาท่านเรว่าให้มัง่งให้มัง่งกายมัางธาตุให้รื้อธาตุเรว่าให้ลอกเนื้อลอกนังออกไป ถอนผมถอนขอนถอนเล็บถอนฟันออกไปนี่ภาวนายกจิตขึ้นสู่ปัญญาวิปัสนาที่นี่เมื่อเพ่งดูไม่ท้อถอยความละเอียดของสมาธิความแน่วแน่ของความรู้ เป็นตัวของตัวเองรวมประุมเข้ามันก็เกิดเป็นความรู้เห็นตามเป็นจริงแต่ว่าเกิดเป็นญาณเกิดเป็นญาเพราะมีฌานคือการแพ่งฌานคือการแพ่งการแพ่งแก่กล้าก็เกิดญาณความรู้เห็นเป็นสักเพียงแต่ว่าธาตุเห็นเป็นสักเพียงแต่ว่าสมมุติ บัญญัติมันไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาตามที่เข้าใจผิดเห็นผิดนั่นแหละเมื่อสติปัญญาศรัทธาความเพียรประชุมรวมลงเป็นความรู้ความเห็นตามเป็นจริงถึนจะอุปทานกรรม ที่มันเป็นตัวเชื่อมอยู่หนักน่วงอยู่นั่นมันจะหมดอำนาจแล้วแต่เหลือแต่ความเบาวิวสว่างด้วยความรู้ตามเป็นจริงกอดโปร่งโล่งด้วยความรู้ความจริงท่านจึงว่าพุโทโธรู้ตื่นเบิกบานเนี่ยมันจะไปตัดราคะคือความ เข้าไปไข่ไปกำหนัดไปยินดีนั่นแหละคำว่าราคะราคะก็คือความไข่กำหนัดยินดีในสิ่งไหนก็เป็นราคะในสิ่งนั่นแหละราคาไข่กำหนัดยินดีในสมบัติเครื่องช้ไม้สอยอะไรมันก็เป็นราคะในนั่น คือราคะหนึ่งมันเป็นมันเป็นจากจิตมันเป็นจากความรู้ที่เมื่อมันรู้ความจริงมันหมดราคะมันไม่มีความเข้าไปชำประยุทธ์ไปไข่กำไปกําหนัดปไปตึกไปตองอมันว่างาเรียกว่าจิตนี่ว่างจากราคะคือความเข้าไปสําคัญมั่นหมายไปไข่ไปกําหนัด เนี่ยมันก็จะแก้อุปทานกรรมที่ประยึดผิดเห็นผิดนั่นจึงเรียกว่ามันละกรรมละบาปละกันหาละกันหาอุปทานกรรมละได้ด้วยสติปัญญา อย่างที่กล่าวมาถ้าไม่อย่างนั้นมันไม่มีอะไรละได้หลอก็ไปทำเฉยๆก็มันไปยินดีมันไปติดมันไปชอบในสิ่งนี้ก็ทำทีทำท่าเฉยๆไม่ให้มันไปนึกไปคิดมันก็ได้ชั่วนิดเดียวเดียวมันก็ไปติดไปคิดไปยินดีพอใจอย่านั่นหละ นี่ทท้จริงว่าความไข้ความกำหนัดเป็นเหตุให้เล่าร้อนที่ท่านว่าปฏิฆะปฏิฆะราคะนี่สังโยต์คือเครื่องร้อยรัด จ, จิตใจเครื่องดึงดูดความรู้หรือดึงดูดสติปัญญาให้ลงไปเป็น สติปัญญาของกิเลสของความหลงของอาสวะจะละจะเลิกจะตัดมันได้ด้วยสติปัญญาแห่งธรรมปัญญาที่มีสติสมาธิ สมาธิในสมาธิสมาธิในปัญญาเรียกว่าสมาธิแห่งปัญญานะี่ยมันมันจะมีกำลังทำความรู้ความเห็นเรียกว่าถอนความเข้าไปยึดไปติดเรียกว่าละตันหานไปถอนตันหาร สอนลูกสอนคือตัณหานี่สอนด้วยปัญญาด้วยการภาวนาอย่างนี้แหละเดี๋ยวว่ายกจิตขึ้นสู่การพิจารณาในกิเลสกรรมในวัตถุกรรมนี่แหละมันไม่นอกเหนือไปจากนี่หรอกจิตใจจิตใจที่มั น, นมีมนต์ทินมีความ หลงเป็นใหญ่เป็นเจ้าเนี่ยมันไปสัมพยุตอยู่กับลูกอันใดล่างอันใดนันก็ติดในสิ่งนั้นอือแม่แต่มันไปสัมพยุตในวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ไม้สอยมันก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นเหตุให้เกิดความโกรธความโลภอยู่ในสิ่งที่มันติดมันชอบอ เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติธรรมะเนี่ยปัญญาเป็นเครื่องกาจัดความหลงเมันหลงแล้วมันจึงยึดจึงติดเนมันหลงในสิ่งใดหลงในอารมณ์อันใดหลงในวัตถุอันใดต้องรวบรวมสติปัญญาเข้าไปแยกแยะไปทุบไปลือ้อไปคน้นขั้วมันให้มัน รู้ความจริงเนี่ยมันไม่มีความหลงเนี่มันก็ไม่มีเท่านั้นมันก็ไม่มีราคะความเข้าไปไข่ไปกาหนัดไปยินดีนี่เรียกว่าถอนถอนราคะปฏิคะถอนรูปราคะอรูปราคอถอนอุทจจะมานะ อวิชชาอันนั้นมันมันมันเป็นกิริยาหลายๆอย่างมันมันรวมลงมาอวิชชาเป็นใหญ่เนี่คือความที่สติไม่กล้าปัญญาไม่กล้านะี่ว่าอวิชชาถ้าสติก้าสมบูรณ์แหละเรียกว่าสติสมบูรณ์เป็นสติที่สมบูรณ์เป็นสติที่ไม่ มีความรุ่มหลงไปครอบงำได้เป็นสติสมบูรณ์ก็เป็นญาเป็นปัญญาสมบูรณ์นั่นจึงเรียกว่าทิ้งทิ้งสมมุติทั้งหลายทั้งพวงด้วยปัญญานี่อุบายของการคิดปฏิบัติธรรมะมีเท่านี้ มีอยู่สติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นจากใจรวมอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นให้ศึกษาเข้ามาที่ตรงนี้ที่สติที่กายที่มีอยู่นี่ผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยมันติดหนังสัมผัสหนังดูตรงนี้มันติดเนื้อสัมผัสเนื้อดูตรงนี้ มันติดผมผมงามดูตรงที่ผมนี่แหละอย่าไปดูที่ออื่นผมงามขนงามเล็บงามฟันงามติดกันอยู่ที่เท่านี้แหละอคําว่าติดรูปกิดกายติดภาษะกับความถูกต้องตาสัมผัสลูกหูสัมผัสเสียงจมูกสัมผัสกลิ่นแล้วก็ความรุ่มหลงเป็นใหญ่ คิดผิดเห็นผิดต้องการต้องการอยากให้เป็นอยู่มีอยู่เท่านี้ไม่เห็นความสุขอันยิ่งที่เหนือจากนี้ไปคือความรู้ระรู้ถอนนั่นแหละท่านจึงว่ามันเป็นลาคะปฏิคะลูปราคะอรูปราคะ สังโยชน์เบื้องสูงสังโยชน์เบื้องสูงห้าเบื้องต่ำห้ารวมเป็นสิบที่ท่านสมมุติบอกเชือ่อเครื่องล้อยลัดหรือเครื่องผูกความหลงห่อหุ้มจิตใจไว้ ในขั้นต้นเบื้องต่ำท่านก็บอกว่าสตายยิพิธิยิกิกิชาสีรพัตตะปรามาอันนี้มันเป็นศัพท์เป็นคําแล้วก็ราคะปฏิฆะราคะความกําหนัดความพอใจมันเกิดขึ้น นั่นก็เกิดความหมุดหงิดนีว่าปฏิฆะคือความหงุดหงิดของใจนี่หลงหลงกายนี่ว่าสกายาิธิหลงกายแล้วก็สงสัยสงสัยในกายในจิตนี่แหละสงสัยความสุขที่มีในกายในจิตนี่เป็นวิจิตรฉา ถ้ามันเข้าใจความจริงมันไม่ได้สงสัยเมื่อมันสงสัยมันก็รูปรูปคำคำยินดีพอใจเนี่ยนั่นจึงเรียกว่าศิลพัตตรามาตหรือศิลพจนที่ท่านว่าความรูปรูปคำคำในศีลในข้อปฏิบัติก็นี่นแหละเมื่อมันไม่รู้จริงเห็นจริงมันก็หลงอยู่เนี่ยหลงรูปหลงคำหลง ยินดีพอใจอยู่นี่มันจะไปอยู่ที่ไหนวอมอยู่ในใจอันเดียวนี่แหละเนี่ยเบื้องอเบื้องต่ำราคะปฏิฆะเบื้องบนรูปราคะอรูปราคะมันเป็นกิริยาที่ใจิตหลงอยู่ใน ความสุขในสมาธิสมาบัติในฌานในญาณเรื่องต่ำนี่แหละและมันก็มีความยึดติดผูกพันเน์อุทจทจะกุจจะมีความไข่ความยินดีฟุ้งซ่านอยู่กับความสุขในสมาธิสมาบัติ ในนิมิตความรู้ความเห็นในจิตนี่แหละเพราะมันยังไม่แจ่งแจ้งมเมื่อแห้งเข้าไปขยี้ขยี้กายแล้วก็ขยี้จิตขยี้สังขารแล้วก็มขยี้ใจนั่นแหละสุดท้าย มันได้ใจแท้ๆใจแท้ๆไม่มีอะไรส่วนสมมุติทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเี๋เข้าใจถึงเข้าถึงใจแท้ๆเนี่อก็หมดปัญหาหมดปัญหาเพราะมันแจ่มแจ้งเป็น ยานังดุบปารีปัญญาดัปารีวิช า, ด, า, าดัปาริอารโกโปุดับปาริยูบรอบรูรอบเห็นรอบในสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นรูปประธรรมนามธรรมตามเป็นจริงสิ้งสงสัย <c oughs> นี่ ต้องภาวนาต้องปฏิบัติอย่างนี้แหละอย่างที่ทำอยู่ปฏิบัติอยู่นี่แหละเรียกว่าลงมือปฏิบัติเท่านั้นแหละฟังแล้วได้ยินแล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติสติตั้งจอเข้าไปปฏิกับใจจะให้เผยจากกันนี่เรียกว่าปฏิบัติจนมันอิม่มมันเต็มมัน แกมแจ้ง ม, มันหนักแน่นก็จะรู้เองเป็นเองเข้าใจเองแล้วก็ลื้อกายมั่งกายเย็นเพ่งที่นากายยางที่กล่าวเมื่อมันรู้ความจริงเห็นความจริงมันเป็นเองไม่ต้องมีใครมายกมาให้หรอกไม่ต้องมีใครมารับรองไม่ต้องมีใคร มาพยากรให้แม่จิตกับธรรมกรมกืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสติสมาธิปัญญากมคื่อนเข้าสู่ธรรมชาติรู้ตามเป็นจริงรู้เองเห็นเองเป็นเองชิ้นสุกทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเอง ดังได้อธิบายธรรมะหรือปรารบธรรมะคือความเป็นจริงของลูกประธรรมนา ม, มาธรมรมลูกนามกายใจนี่ไม่ได้อยู่ในตู้ในหีบในที่ไหนละ่ะพระไตรปโดกหมวดไหนหมวดไหนละ่ะอยู่หมวดกายว่ า, จาใจใจเท่านี้แหละ ในหมวดอันนี้จังทุกครั้งมณ ต, ตาของรูปธรรมนามธรรมนี่แหละจะยินได้ฟังแล้วจงยินดีในการประพฤติปฏิบัติตั้งสติตรจ่อเข้าไปโดยความเพียรไม่ถอยถอยต่อนั่นไปก็จะรู้จะเห็นจะเข้าใจในธรรม ตามคามสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นผู้เขา้าถึงธรรมเป็นผู้ธรรมที่สุดแห่งทุกโดยชอบด้วยนาแจแหงคุณของพระผู้โดยสารประธรรมประสงค์แห่อำนาจแห่งการปรฤิ ด, ดีปฏิบัติชอบขอจงเป็นพร ะ, ระกำลังนุนนำ ใวงจิตรวงใจมีความเจริญในธรรมะปรารธนาสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมเพราะสิ่งนั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จในที่ทุกสถานในการทึกเมื่อจงทุกท่านทุกคนเถิญ